ต่อไปนี้พวกเราจะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันเพื่อจะได้มีความรู้ที่จะปลูกให้พวกเราตื่นจากความหลงความหลงของพวกเราก็อยู่ที่ราบยศสรรเสริญ อยู่ที่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายถ้าเรายัางถือว่าราบยกสรรเสริญถือว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นที่พึ่งของเราเป็นความสุขของเราก็แสดงว่าเราไม่เห็นความทุกข์ที่มีซ่อนอยู่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 ถ้าเราเห็นว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงขีดลดปุถุพะนี้จะกลายเป็นความทุกข์ไปในเมื่อเวลาที่เราแก่เจ็บตายเราก็จะได้เห็นไทยของ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 ที่พยายามดึงให้เราติดอยู่กับราบยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรโปดตาปลาดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างคุณธรรมทั้งสี่ข้อนี้สร้างเทวทูตทั้งสี่ข้อนี้ให้เกิดขึ้นมาให้เห็นความแก่ความเจ็บความตาย อยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามจะลานสติให้มากเพื่อที่จะได้นำใจให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะถ้าใจเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะได้มีทางออกจากกานหลงติดอยู่กับ ราบยศสนรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระพุทธเจ้าทรงได้ทรงเห็นเทวทูต ท, ทั้งสี่ประการนี้อย่างชัดเจนจึงทำให้พระองค์สามารถสละราชจสมบัติสละราบยศสนรเสริญ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 กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกังวลกับความเสื่อมของราบยศสลรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพาทรงเห็นว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ทรงเคยตัดไว้ว่าผู้ใดที่ยังหลงระเริงอยู่กับความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกเิ่นกายก็เหมือนจัดคนที่จัดงานเลี้ยงฉลองในขณะที่บ้านของตนเองกำลังไฟไหมอยู่แต่ไม่รู้ว่าไฟกำลังไหมบ้านของตนมัวแต่จัดงานเลี้ยงฉลองกัน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 พอไฟลุกไหม้จนออกมาไม่ได้ปิดทางหมดแล้วเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือความสำคัญของเทวทูตสี่ที่พระเจ้าส่งสอนให้เราพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆให้มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆ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 เห็นว่าเป็นเพียงอาการนั้นๆพระนั้ น, น, นไม่ได้มีตัวตนอยู่ในอาการเหล่านั้นเลยแยกผมออกมาดูแล้วถามตัวเองดูว่าผมนี่คือตัวเราหรือเปล่าแยากขนออกมาแยากเล็บออกมาแยากฟันออกมาแยากเนื้อออกมา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 อาหารก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองแลเมื่อร่างกายนี้แก่ลงไปตายลงไปตายไปอาการทั้ง3าที่สองนี้ก็จะแปลสภาพไปส่วนที่เป็นน้ำก็แยกออกไปส่วนที่เป็นไฟก็แยกออกไปส่วนที่เป็นลมก็แยกออกไปเหลืออยู่ส่วนที่เป็นดิน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 มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดอย่างนี้ก็จะทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทำลายโมหะอาวิชชาความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราที่จะให้ความสุขกับเราด้วยการแสวงหาราบยศรสรเสญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะยุติการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสแสวงหาลูกเสียงกลิ่นรสผทตภาแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตะภาวนาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็ออกเวลาออกจากความสงบก็พิจารณา ธาตุขันย์อยู่เรื่อยๆพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายพิจารณาอนัตตาว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ พ, พิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจที่ก็อยากให้ร่างกาย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 เราก็จะไม่ร่วมหลงอยู่กับการสร้างแหวงหาความสุขทางราบยศเสรเสริญทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเราก็จะหันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการทำทานแทนที่จะเอาเงินทองที่เราหามาได้นี้ไป ซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเราก็เอามาทำทานเอามาแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากลำบากเหรื่อนให้เขาได้มีความสุขบ้างการให้ความสุขกับผู้อื่นแบบนี้จะทำให้ใจของเรามีความสงบจะทำให้ใจของเรามีความสุข ที่ได้รังับความอยากหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองแล้วก็จะทำให้เราไม่อยากจะทำบาปเราก็จะตั้งอยู่ในสีลในธรรมได้เวลามีสีลนี้ใจจะเย็นใจจะมีความมั่นคง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 เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ได้เราจะมีเวลาเพราะเราหยุดการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญหยุดการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเราก็จะมีเวลามาบําเพ็ญมาบวชกันจะบวชสั้นบวชยาวก่อนก็ได้เรื่องต้นกค่บวชอาทิตย์ละวันเช่นวันพระ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 ข้อสำคัญก็คือเราต้องยุติการแสวงหาราบยศสรรเสริญยุติการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาอยู่แบบนักบวชถ้าเราไม่มีเวลาบำเพ็ญเราจะไม่ได้ ผลที่ดีที่จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาของเราให้กับการบำเพ็ญจิตตะภาวนานี้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราได้รับผลจากการบำเพ็ญแล้วก็จะทำให้เกิดมี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 ที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ได้บาเพ็ญแบบนี้มากันแล้วในสมัยหลวงปู่มั่นมานี่อรบาอาจารย์ทุกรูปก็บาเพ็ญแบบนี้ทั้งนั้นตอนต้นก็เป็นคาราวะาญาติโยนเหมือนกับพวกเราที่ยังหลงกับการแสวงหาราบยศสรรเสริญ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 เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเส ร, ริญไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ือทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติเ ด, ดีวก็จะจำศีลถือศีลแปดในวันพระกันหยุดทรมาหากินเข้าวัดเข้าวามองเป็นรักษาศีลอุโบสถ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 พอยิ่งบําเพ็ญมากขึ้นไปเท่าไหร่ผลยิ่งจะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเท่านั้นยานานที่สุดก็พร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีอิสระภาพในการบําเพ็ญได้อย่างเป็นรูปแบบก็คือสละเพศของคารวะแล้วเข้าสู่เพศของน้าบวช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 เพราะมีผู้นำทางมีผู้คอยดึงให้อยู่ในทางที่ยันพาไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะถะละไยลออกนอกทางไปได้หลงทางได้และอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปก็ได้ แังนั้นเมื่อออกบาเพ็ญแล้วองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครูบาอาจารย์พระอาจารย์ที่พวกเรากราบไาว้บูชากันทุกโลกนี้ท่านต้องมีครูบาอาจารย์กันเท่านั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติตามลำพังของท่านเพราะไม่มีใครที่จะวิเศษวิโสที่จะสามารถปฏิบัติตามลำพังของตนจนบรรลุมรรคผลนี้ผ่านได้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 แต่ไม่มีใครรู้จกักมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลอนาคามมมรรคอนาคามีผลอาลาตตมรรคอหัตหตผลและนิพพานไม่มีใครรู้ทางที่จะไปสู่มรรคสี่ผลสี่นิพพานอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงต้อง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 ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันตรงนี้ก็จะเวียนว่าตายเกิดอยู่ในการมาพบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าการสแสวงหาราบยศสารเสริญของเขาทำไปผิดศีลผิดธรรมคือไม่รักษาศีลห้าทำผิดศีลห้าตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบาย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 เป็นทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงก็จะตะเกีกตะกายขวนขวายปฏิบัติตามตามกำแพงที่ตนเองมีอยู่ทาทานได้ก็จะทาทานรักษาศีลได้ก็จะรักษาศีลภาวนาได้ก็จะภาวนา อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเป็นไรถ้าได้บำเพ็ญมามากก็จะสามารถบำเพ็ญต่อได้มากได้ง่ายถ้าบำเพ็ญมาน้อยก็จะบำเพ็ญต่อได้ยากได้น้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาะไรเพราะว่าถ้ามีน้อยก็สามารถบำเพ็ญให้มีมากได้ในชาตินี้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 ขอให้เราเตือนสติเราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราได้พบกับเพจอันเลิศแล้วเราได้พบโอกาสอันล่ำเลิศแล้วที่จะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่เลิศโลกสิ่งที่เหนือโลกคือโลกุตระทำแล้วทำที่จะทำให้เราได้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว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 ให้ตื่นจากความหลงให้เตื่นจากการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของราบยศสรรเสริญของรูปสิงกลิ่นรสปุถธภาเราก็ต้องทาตามที่พรเจ้าทรงสั่งสอนให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตาย อย่างต่อเนื่องอย่างที่ทรงสอนพระอนุนให้เราเลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราเลิกถึงทุก ท, ท, ทุกลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่มีช่องที่จะทําให้เราลืมให้เราหลงไปหาความสุขจากการสวงหาลาบยศสเสริญสุขหารูปเสียงเกล็นลดโหตภาพมันก็จะผลักให้เราเข้าสู่การหาความสุข ของความสงบของใจด้วยการทําทานด้วยการบําเพ็ญด้วยการรักษาศีลด้วยการบําเพ็ญจิจตภาวนาพอเราได้บําเพ็ญอย่างเต็มรูปแบบแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วและง่ายดายดัยงนั้นอยู่ที่ตัวเราเองที่จะต้อง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 ไม่ใช่เดี้ยวซ้ายรียกว่าสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบถ้าเราบำเพ็ญอย่างนี้แล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมามากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งดังที่เราได้สวดร้อยในบทภาพสองขคุณสุปฏิปันโน ย, ยะสามีจิอุชชยยะสามีจิปฏิปันโน เอสพเาพ่อโตเนี่ยสาวกสังโฆก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุที่ไม่มีใครที่จะมาทําแทนเราได้ของใครของมันการปฏิบัตินี้ใครปฏิบตัติใครก็ได้ใครไม่ปฏิบตัติใครก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติกันเองต้อง อัตตาหิอัปโนนาทูต้องมีวิรยิยะอุสาหะความภาคเปลี่ยนสู้ไม่ถอยมีขันติมีความอดทนข mm hmm. อ, อให้เราเราเลิกถึงพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย mm hmm. เป็นเครื่องให้กำลังใจกับเราว่าท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็ล้มลุกคุกคานชนะบ้างแพ้บ้าง ท่านไม่ถอยจะยากจะลําบากอย่างไรท่านก็ฟันฝ่าต่อสู้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้กลายเป็นสาณนะเป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราก็จะสามารถเป็นเหมือนกับท่านได้ถ้าเราเดินตามรอยของท่าน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 ถ้าเดินจงกลมนั่งสมาธิโดยที่ไม่มีสติก็เหมือนกับไปเดินชอปปิ้งตามศูนย์การค้าดีๆนี่เองเดินไปก็คิดถึงสินค้าชนิดนั้นสินค้าชนิดนี้คิดถึง <c oughs> อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เดินจมกลมแบบนี้ก็อย่าไปเดินให้เสียเวลาเพราะไม่ได้เป็นการาบำเพ็ญความเพียรการจะบำเพ็ญความเพียรนี้จิตจะต้องมีสติคอยควบคุม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 ว่าเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ความดับทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแกร่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราตาริบรันติสกาการัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพุริยโตสังกปาจันโทปนระโสยถามิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัจจันสัพพโรโควินสตุ มาเตผวตวันตาลาโยสุขีธีพายุโกภวะอภิวาทนสิลิษะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวทาติอายุวโนสุขางภาลัง ใครอยากจะถามคำถามก็เชิญถามได้จะมาวันนี้นะคะกว่าปวดหลังหลังเข่าเคลือนแล้วก็ถมบอกว่าพรนั้นต้องทาอะไรบี่เขามีโปรไบโอติคน้องคอสอิจ้าสบวันแลว่าจว่าที่วันละชิ้นเขาได้หลังก็กลัวว่าหลังที่มันเป็นเนือจะเล่งุหั ก็ให้จับอย่างนีทง้ท่านอาจารย์ว่าเขาควรจะคีกใจเขาก็อยากจะเข้าจะไปปฏิบัตินี่ครัอวามาเจะเอาอย่างไรทีีเตั้งต๊ะไปจับต้จดตอบแทนถ้ามันไปปฏิบัติแล้วทาให้ร่างกายมันเสียก็ต้องรักษาร่างกายก่อนหรือปฏิบัติแบบที่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 พออย่างดีแล้วเราขับไปมันก็จะได้พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าเราดันทุเรหลังว่าแต่ก็จะขับมันไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็พังทั้งล้อทั้งอะไรไปไม่ได้อยู่ดีดังั้นก็ต้องดูเรื่องของร่างกายด้วยว่ามันมีเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะบําเพ็ญได้เรา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 และทาที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือสติดังนั้นอยู่ที่เดนมาร์กก็บำเพ็ญได้ไม่ต้องมาที่เมืองไทยก็ได้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ตรงไหนก็บาเพ็ญตรงนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าสถานที่มันอาจจะมีสัปปายะกับไม่สัปปายะสัปปายะก็คือเอื้อต่อการบำเพ็ญไม่สัปปายะก็คือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญ ที่ไปอยู่ตามสถานที่ที่เขาจัดให้มีการปฏิบัติมันก็เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการบาเพ็ญเพราะทุกคนต้องบาเพ็ญเหมือนกันถ้าอยู่ที่ไม่มีการปฏิบัติมีแต่การเล่ น, ล น, ลนเนืองสังสรรหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะที่เหล่านั้นก็จะไม่เอื้อต่อการบาเพ็ญ แต่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในที่สงบเช่นอยู่ในห้องของเราได้อยู่ในโรงแรมนี่ติดเครื่องปรัประกาศปิดเสียงไม่รับรู้ใครก็ขังตัวเองอยู่ในโรงแรมนั้นสักสิบวันก็ได้ไม่ต้องไปไหนให้เขาส่งอาหารมาให้วันละมือ้อแล้วก็เดินจงผมนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิอยู่ในห้องนั่นแหละบำเพ็ญไปก็ได้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 ว่าคนที่ขี้เกียจนะว่าคนถามผมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักอยู่ที่ความอยู่ที่สติเนี่ยถ้าเรามีความมุ่งมั่งทุ่มเทชีวิตจิตใจแม้ตาอยู่ที่ลงอาบอบนวดก็ยังบำเพ็ญได้ อ้าวจริงๆนี่ก็นั่งรอเพื่อนเขาอยากจะไปเที่ยวลงอับอบนวดเขาชวนเราไปแล้วก็ไปกับเขาแต่เราไม่เข้าไปแล้วนั่งอยู่ในรถแล้วก็รอเขาอยู่ที่ที่จอดแล้วเราก็นั่งดูลมหายใจเขาออกไปอ่าจริงๆนี่ไม่ได้พูดไม่ได้แต่งขึ้นมา สมัยนะั้นก็ยังเป็นคาราวาอยู่แล้วก็ยังมีเพื่อนมีฝูงอยู่เื่อนฝูงก็ไ ป, ไปเที่ยวด้วยกันเขาก็มาชวนไปใช่ไมเราไม่ไปมันก็ยังไงอยู่ไปแล้วก็บอกว่าไม่เข้าไปนะจะนั่งรออยู่ข้างนอก้วนั่งรอไปแล้วก็นั่งสมาธิไปในรถ ถ้าใจมันภาวนาเป็ น, นมันอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ถ้าจาติสายเขาแก่ติดป่สามสิบามเขาเขาอยเทสท่าใจมาที่ที่ปรดีนะคบอกท่าใจเทศฐานนิทว่าให้เลือกว่าง่าใจที่ปว ใช่อย่างเวลาใกล้าตายเนี่ยร่างกายรักษาไงก็ไม่หายแล้วจะไปกังวลอะไรกับมันทําไมเราก็ภาวนาไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการรักษาเช่นหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องรักษาก็ให้ปลูกฝากใจไว้กับการภาวนาอย่างคุณเผาพงาที่ไปอยู่กับหลวงตาหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือแค่หกเดือน ถ้าไปอยู่กับหลวงตาหลวงตาก็สั่งไว้ก่อนว่าห้ามอาหารห้ามเอาหมอห้ามเครื่องเอาเครื่องม้เครื่องมือรักษามาให้มารักษาใจเพียงอย่างเดียวอันนี้มันมันคนลกรณีกันอ๋อต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปแม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่วา ควไม่ควรอย่างไรอันนี้แต่อย่าให้เอาเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมาเป็นข้ออ้างไม่ให้ทําไม่ให้เราบําเพ็ญเช่นสมมุติเราไปไม่ได้เราก็บําเพ็ญที่ห้องพักเราก็ได้อาจจะได้มากได้น้อยต่างกันเพราะอยู่ตามลําพังเราอาจจะอไม่ขยันเหมือนกับเราอยู่กับคนอื่นก็ได้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 ทำให้มีผลที่แตกต่างกันได้เื่อนการปฏิบัติรองต้องดูที่ความสัปปายะด้วยของสถานที่สัปปายะหรือไม่บุคคลที่อยู่ด้วยสัปปายะหรือไม่อาหารสัปปายะหรือไม่อากาศสัปปายะหรือไม่ถ้าสัปปายะมันก็จะทำให้การบาเพ็ญนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะ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 ของความเรื่องสุดวิสัยทําได้เท่าไหร่ก็ต้องทําไปเท่านั้นก่อนตอนนี้ก็ยังปวดอยู่แต่ไม่ไปทุกกับมันมันไม่หายหรอกมันก็เป็นมาอยู่เงี้ยอยู่ก็ต้องชินกับมันนะมันปวดก็นอนนอนสักพักมันก็หายปวด ลุกขึ้นมาเดินมานั่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ปวดใหม่ก็้ ม, มีเวลาพักเนี่ยอย่างตอนเช้าเวลากลับจากสาราเนี่มันก็ปวดเมื่อยก็มีเวลาพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาได้สักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเย็นนี้ก็ลงไปนอนสักพักนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยลุกขึ้นมาเดินจงกลมมาทําอะไรต่อก็มีการสลับกันไปอย่างเนี้ย อยู่กมันไปแต่มันก็ไม่ปวดรุนแรงจนกระทั่งทนไม่ไหวมันก็แต่มันก็รู้ว่ามันเจ็บอ ะ, อะนี่นะแค่เป็นเรื่องปกติของสังขารร่างกายไม่เป็นปัญหาอะไรพอที่จะอยู่กับมันได้ไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถทําภารกิจต่างๆได้ก็ทํามันไปอยู่กับมันไป อยู่ไปกรทั hmm. ่งมันไม่อยู่มันไม่อยู่ก็จบก็รักษาตามตามสภาพเนี่ยมีการทำโยคะบ้างมีการดีดจับเส้นบ้างอะไรอย่างนี้ไปแต่ไม่ได้ไปหาหมอไปกินยาหรือไปผ่าหรือไปทำอะไรก็คิดว่าไม่ไม่เราไม่เดือดร้อนเี่ย ก็เลยไม่ต้องทำอะไระวันนี้ไม่มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะดีครับอาจารย์ะเจครั บ, รรบต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ พ, พิชาตโตและคำถามของผู้เข้าฟังธรรมในวันนี้ฝากถามนะครับแล้วก็คำถามทั่วไปนะครับคำถามแรกนะครับ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 ใครถามลูกถามเลยภรรยาถามเลยอ่าคือเหมือนตัวตัวลูกถามนะครับว่าพ่อโกรธมากว่าไม่ยอมรับราชการอะไรเงี้ยครับแล้วก็พ่อก็เลยโกรธภรรยาไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็ะจะทําอย่างไรดีครับเพราก็ขากลัวบาปก็ทําแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจพระพุทธเจ้าก็ทําในสิ่งที่ควรจะทําพ่อไม่อยากให้บวชท่านก็ออกบวชเห็นได้ เราไม่อยากจะรับราชการเราก็ไม่ต้องรับราชการเราก็ไปทํางานของเราพ่จะโกรธก็เรื่องของพ่อเราไม่ได้ไปทําให้ท่านโกรธท่านโกรธคุณท่านเองเพราะความอยากของท่านถ้าท่านไม่มีความอยากให้เราไปรับราชการท่านก็จะไม่โกรธแตนเราไปแก้เรื่องของความโกรธของท่านนี้เราแก้ไม่ได้ แล้วเราการทำอะไรตามตามความต้องการของเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาป ก, กรรมแต่อย่างไรเี่แต่ว่าสิ่งที่เราทำนี่เมื่เราก็ต้องรับผลของการกระทาของเราเนั้นเองถ้าเราทำแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับไปรับราชการเราก็ต้องยอมรับว่าเออทางที่เราเลือกนี้มันไม่ดีเท่ากับทางที่พ่อให้เราไปแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของบาปของกรรมอะไร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 ก็ต้องปล่อยให้เขาเลือกเวลาไปร้านอาหารมีใครบังคับว่าคนต้องกินอย่างนี้ไหมทุกคนก็เลือกสั่งกันเอาเองก็ไม่ไม่เห็นเสียหายตรงไหนการที่จะทำมาหากินในรูปแบบไห น, นมันก็เป็นการทำมันเป็นการทำมาหากินที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่น่าจะเป็นปนัญหากับใครปัญหาก็อยู่ที่คนเราชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไป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 แต่เราลืมไปว่าเขาโตเขาเขาก็เป็นเหมือนเราสมัยเราเป็นเด็กเราก็ว่านอนสอนง่ายพอเราโตเราก็เป็นไปตามความต้องการของเราเขาก็เป็นเหมือนกันพอเขาโตขึ้นเขาก็อยากจะเป็นตัวเป็นตนของเขาเขาก็อยากจะทำอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของเขาหน้าที่ของเราก็เพียงแต่บอกว่าการกระทําบางอย่างที่ก็ททำนี้อาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ดีเนี่ย ทำาปแล้วอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ทำได้เท่านี้ในฐานะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ผู้ปกครองนี้มีหน้าที่สั่งสอนลูกให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชั่วแต่ถ้าผู้ที่รับฟังไม่ไม่ไม่สนใจปฏิบัติตามจะไปควบใบบังคับก่อได้อย่างไรเขาไม่ทำก็เขาก็ต้องเป็นคนรับผลที่เขาทำนั่นแหละ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 จะไปทางไหนเอแล้วคนที่ก็เดินไปเนี่ยบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงมันนับพรามจะทํำยังไงรามก็บอกผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมไม่หน้าที่บอกเขาเมื่อเขาไม่เดินตามที่ผมบอกมันก็ช่วยไม่ได้ฉันใดตถาคตก็เหมือนกันตถาคตก็สอนลูกสิษย์ให้เดินไปสู่มากผลนิพพานกันแต่ทําไมบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึง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 ถ้าไม่ทำก็ถือว่าชั่วเลวอย่างนี้มันไม่ใช่เราต้องสั่งด้วยความเมตตาบอกทางที่ดีให้กับเขาแต่ถ้าเขาไปไม่ได้ด้วยเหตุผลกลกกลใดก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องวิบากของเขาไปคำถามข้อต่อไปจากเ c e b o o k นะครับจากพระธีระนะครับกราบเรียนถาม มีความรู้สึกเบื่อขี้เกียจภาวนาแก้อย่างอย่างไรครับถ้าจะตอบง่ายๆก็นอนเลย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 ถ้าเราจเจริญสติมากเราก็จะภาวนาเก่งส่วนการทําทานนี้เป็นเพียงการอปลดให้เราหลุดจากการที่เราจะไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาจเจริญสติเท่านั้นเองฉะนั้นทานที่จะเอื้อต่อการบําเพ็ญก็คือการสละหมดเลย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 มูและปลิ้นเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เก็ น, นั้นแหะคณิกะก็แปลว่าขณะหนึ่งขนาสั้นๆเวล<ะ>านั่งสมาธิครั้งแรกเวลาจิตสงบมันจะเป็นแบบนั้นมันจะรวมลงไปวุ้แล้วมันก็จะถอนออกมาแต่มันก็จะได้สัมผัสรับรูบ <c oughs> ถ้ถึงถึงความสงบนั้นว่ามันวิเศษอย่างไรเหมือนกับเล่นกับแกงเนี่ยได้สัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะทําให้เกิด ฉันทะวิริยะเกิดความติดอกติดใจอยากที่จะเล่มลดแกงนั้นให้มากขึ้นก็จะหมั่นบําเพ็ญการสมถะภาวนาให้มากขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นแล้วต่อไปก็จากคำนิกะก็จะกลายเป็นอัปปนาไปอัปปนาก็คือแปลว่าอยู่ได้นานเช่นอยู่ได้ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อยู่ที่กำลังของสติที่เราบาเพ็ญแล้วอยู่ที่การที่เราไม่ไปทำภาร ก, กิจอย่างอื่นเพราะถ้าไปทำภาร ก, กิจอย่างอื่นมันก็จะมาทำลายการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้นานเพราะเวลาเราไปทำอย่างอื่นนี่ก็เหมือนกับเราดึงใจออกไปข้างนอกส่วนการบาเพ็ญเ่นการเจริญสตินี่เป็นการดึงใจให้เข้าข้างใน เพะฉถ้ากําลังที่จะดันใจให้ออกข้างนอกมันมีมากและกําลังที่จะดึงเข้ามันมีน้อยกว่ามันก็อยู่ได้แป๊บเดียวแต่ถ้ากําลังที่ดึงใจให้เข้าข้างในนี้มีมากกว่ากําลังที่จะดันใจออกข้างนอกมันก็จะอยู่ได้นานกว่ายิ่งเราตึงต้องสํารวมตาหูจมูกเล่นกายไม่สนใจเราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพพะให้เราดึงใจเข้าข้างในด้วยการ บริกรรมพุทธโธด้วยการเจริญสตินี้แล้วก็ด้วยการนั่งสมาธิเดิ น, นจงกรมนี่ยถ้าเราทำเพียงแต่ภารกิจเหล่านี้จิตก็จะนวมเข้าสู่ความสงบแล้วอยู่ได้นานขึ้นไปตามลำดำับคำถามต่อไปนะครับบางครั้งที่อารมณ์หงุดหงิดหรือง่วงนอนมักปล่อยให้เกิดโทสะได้ง่าย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 เราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็ด่าเราอยู่ดีเขาด่าแล้วเรามีความสุขกับเขาด่าเรามีความทุกข์อย่างไหนจะดีกว่ากันไม่มองตรงนี้กันแต่เป็นเปลี่ยนให้เขาพูดแต่ดีอย่างเดียวเขาไม่ยอมพูดเราจะทำยังไงดังนั้นความโกรธความผิดหวังความเสียใจนี่ก็เกิดจากความอยากของเราดัะนั้นเราต้องลดละความอยาก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 ท่านสละแล้วเรื่องของบ้านเมืองบ้านเมืองจะเจริญหรือจะเสื่อมนี้ท่านไม่ได้ไม่เสียแล้วท่านมาที่การบำเพ็ญมาการรักษาจิตใจเป็นหลักนะงั้นถ้ารักษาจิตใจเป็นหลักก็ไม่ต้องไปออกไปออกไปเดินขบวนไปกับเขาถ้าอยากจะเดินขบวนก็ถอดเส้อเหลืองก่อน <c oughs> แล้วก็ไปเดินให้เต็มที่เลยถ้าเป็น ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ต้องต่อสู้กับปิเลตันหาต่อสู้กับโมหะอาวิชชาถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะสถานภาพของเรามันก็จะมันก็จะปนกันมันก็จะทำให้ทาให้การแยกแยะ ก, กันไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรทุกวันนี้บางทีเราไม่รู้จักสถานภาพของเราคำ ถ, ถามข้อต่อไปนะครับ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 จะเอื้อต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาเป็นอย่างมากถ้ายังเป็นคาราวาสอยู่ยังต้องหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญคําถามข้อต่อไปนะครับในชีวิตประจําวันการอยู่กับลมหายใจและบริกรรมพุทโธแต่บางครั้งไม่มีพุทโธแต่มีสติ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 รู้เฉยๆ ร, ร, รู้รู้รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเขาพูดแป๊บมันก็ดับไปแล้วถ้าเราไม่เอามาปรุงแต่งมันจําไม่ได้ละลืมไปละแต่ถ้าเอามาปรุงแต่งต่อมันยังจําได้ด่ามาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังจําได้อยู่อย่างนี้เรียกว่ามีสติรู้เฉยๆ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจลมหายใจกับพุโทโธนี้เป็นตัวดึงให้ผู้รู้ปรากฏขึ้นมา ท่านั้นพอมีผู้รู้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้หลมให้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่างนี้เรียกว่ามีสติคําถามข้อต่อไปนะครับบางคนที่ชีวิตทําแต่กรรมชั่วแต่ทําไมชีวิตยังคงได้สวยกรรมดีอยู่ตลอดเวลาทําดีควรได้ดีทําชั่วควรได้ชั่วคือผลของดีชั่วนี้มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ภายในใจ คนทำเชื่อเนี่ยจะไม่จะมีความสุขย่อมเป็นไปไม่ได้ใจจะต้องวิตกกังวลวุ่นวายใจคนทําความดีนี้จะมีความสุขใจจะไม่วุ่นวายใจแต่ผลภายนอกเช่นลาบยศสรรเสริญ จ, จ ะ, ะเจริญรุ่เสืองนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําดีทำเชื่อเสมอไปคนทําดีแล้วไม่รวยก็มีเยอะแยะไปคนทําชั่วอร่ํารวยเป็นใหญ่เป็นโตก็มีมากมาย <c oughs> ดังนั้น ลาบยศสรรเสริญ น, นี่ไม่ใช่เป็นตัวตัวหลักในการวัดแต่มันก็มีส่วนคนบางคนนี่เนื่องจากมีบุญเก่าเยอะพอพอมาเกิดก็ไม่ต้องทำอะไรก็มีส้มหล่นอย่างี้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญโดยที่ไม่ต้องไปเล่นลนไปหามาอันนี้มันมาของมันเองไอ้ น, นี้เรียกว่าเป็นวิบากเป็นผลของบุญที่ได้ทำมาในอดีตเช่นเดียวกับผลที่ไม่ดี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 เช่นบริษัทเวลาเ็าทำความดีแต่ละครั้งนี้ก็จะต้องเรียกหนังสุพิน ม, มาถ่ายรูปลงหนังสุพินประกาศให้คนรู้ว่าบริษัทนี้ทำบุญขนาดนั้นทำบุญขนาดนี้คนจะได้ซื้อสินค้าของเขามากมายขึ้นไปอันนี้มันไม่ได้เป็นการทำบุญมันเป็นการลงทุนใจไหมใจใจก็ไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจใดอย่างใด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 ให้เขาได้มีน้ำใช้อย่างสะดวกอย่างสบา ย, เ, ยเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขใจแต่เราอย่าเอาช่างภาพไปถ่ายภาพแล้วก็เอาไปโฆษณาต่อปิดทองหลังพระเนี่ยถึงได้บุญมากดีหมพระอาจารย์ครับแล้วการภูมิใจในตัวเองมากมากถ้ามากไปจะเป็นมารนณะ์ไหมครับพระอาจารย์ การภูมิใจถ้ามันมีเหตุให้ภูมิใจมันไม่เป็นอนะ่ะเช่นเราทําความดีเนี้ยเราก็มันก็เกิดความภูมิใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทําแล้วเราคิดว่าเราดีเนี้ยถึงจะเกิดมานะขึ้นมาบางคนทํานิดเดียวแล้วบอกว่าทำต้องเยอะต้อง้ยะทำไมไม่ได้ผลเลยเอ <c oughs> าถามาดีช่วมี้ปฏิบัติบิสิแล้วก็เริ่มเห็นบริริรรแล้วมันมันมีกิเลสเข้านะคะแล้วกำลังของสติกำลังของสมาธิอ่อนนะคะ เพราะว่ากำลังออกสติกก็ก็พอจะมีสติรู้กับกิเลสกาลังเข้ามาอรอย่างนี้ค่ะเขาไม่กลอมหนูจะกดมนมไหวพ่ปะประจําก็จะมีสมาธิบ้างแต่เป็นแค่คราบก็นานๆจะนั่งสมาธิบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่นั่งเลยเพราะเจอแบบสติอย่างเดียวพอเห็นจิตที่มั น, นาสายไปเวลาที่มีกิเลสกิเลสเข้ามากระทบแล้วจิตสายหนูก็มาพิจารณาว่าเออ เหตุที่มันกระทบนี่เพราะว่าเราไม่มีสติ ค, คุมในตาหูจมูั้งหมดค่ะพอวันนี้หนูก็มาพิจารณาว่าบางครั้งที่หนูลองทดสอบเวลาตั้งสติแล้วก็มีสมาธิติดสมาธิอนุกามากขึ้น <Okay. S 1> เวลามองก็ให้มีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่ในการมอง บางครั้งพิเลต ก, ก็มันเข้าก็คือรู้แล้วการเป็นว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่พอมาคิดอีกทีนึงว่าเอ๊ะทำไมเอ่อทุกอย่างแม้แต่สติบางครั้งมันก็ไม่เที่ยง ม, มันมันก็บังคับมันช้าอะไไม่ค่อยได้บางทีก็ตื่นบางทีก็ไม่ตื่นแล้วแต่เหตุผลใจที่ที่ขเราทำที่ถูกกระทบแต่ แล้วก็มาพิจารณาอีกว่าเอ้าก็เพราะว่าเราขาดสติแล้วสมาธิตรงนั้นมันก็เลยเข้าพอเข้าอันนี้ปั๊บเพียงแค่เห็นรับเดียวนั่นแต่หลับตาหรือเหตุการณ์นั้นผ่านไปในการเป็นสัญญาแล้วนามาปรุงแต่งต่อบางครั้งมันเป็นรบกวนในขณะที่เรานอนสติในก็ไปตามสอนในในขณะที่เรานอนหลหับอค่ะเขาบอกโอ๊ยอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกมันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะรำคาญแต่ก็ ม า, มาคิดว่าเอ้หรือเพราะว่าเราขาดสมาธิไปเลยนะหนูเราอยากยืนถามว่าจริงๆแล้วสมาธิสติและปัญญาทั้งสามควรจะมีกำลังที่เท่ากันเสมอในการคือทุกอย่างมันเริ่มที่สติเป็นเป็นเป็นเหตุถ้าสติเราไม่ต่อเนื่องสมาธิเราก็ลุ่มลุมดันๆอ น, อนสงบบ้างไม่สงบบ้างปัญญาเราก็ทันบ้างไม่ทันบ้าง ถ้าสติเราต่อเนื่องสมาธิเราก็จะต่อเนื่องแล้วปัญญาของเราก็จะต่อเนื่องเพราฉน้นเราต้องเจริญสติทุกเวลามเวลาควบคุมใจให้มีสติคอยคุมไม่ให้ปล่อยให้คิดเรื่อยเปลื่ยไปตามสัญญาอารมณ์ตามตามตา ม, ตามสิ่งที่ได้มาสัมผัสรับรู้สัมผัสได้รับรู้แล้วก็ให้ปล่อยไปผ่านไปสักแต่ว่ารู้ อย่าเอามาคิดปรุงแต่งถ้าเอามาคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะเกิดกิเลสเกิดอ like ารมณ์ขึ้นมา Lud, ถ้าสักแต่ว่ารู้ได้ยินปับ๊บมันก็ดับไปเห็นปับ๊บมันก็ผ่านไปมันก็จะไม่มีสัญญาอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันจะปรุงแต่งเราก็แสดงว่ากำติเรายังมีกำลังไม่มากพอเราก็ต้องอัดสติเข้าไปพุทโธเข้าไปพอมันจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธพุทโธเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดคิด มันก็จะกักแต่ว่ารู้ต่อไปได้นะนั่นเราต้องพยายามหมันเจริญสติให้มันเป็นสัมปชัญญะคือต่อเนื่องไม่มีเวลาเพลิเลยไม่มีเวลาหายไปให้มันเป็นมีอยู่ตลอดเวลาเป็นมาหาสติไปเลยพอเป็นมาหาสติมันก็จะเป็นมาหาปัญญาปัญญาก็จะเป็นมาหาปัญญามหาสติมหาปัญญาปัญญาก็จะทันกับกิเลส ท, ทุกเวลาที่มันปรากฏขึ้นมา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 ให้มีอย่างต่อเนื่องแลว้วไปนั่งสมาธิก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิพออกจากสมาธิมาก็สามารถใช้ปัญญารักษาใจให้สักแต่ว่ารู้ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจังทุกขังอนัตตานี่คือหลักของการภาวนาต้องมีทั้งสามสามส่วนนี้ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือสติ เป็นตัวที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาตามมาต่อไปฉนั้นต้องอย่าเผลอสติเลยต้องคุมใจต้องพุโทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรืออย่างใดอย่างหนึ่งสติมีหลายแบบพุโทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้ดูร่างกายก็ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นสติเรียกวมนานุสสติกระจายแลวนะ มีใครอยากจะถามยังไงเอาว่ามาเ ม, มื่ออที่ก่อนไปทํางา น, นที่ห้างสายสาวันใช่ไหมคนะมันแรกก็รู้สึกว่าอารมณ์มันกายเบาใจเบาสบายๆมันสุดท้ายคือที่สามจุดฟุ้งสั้นมากมวัตถุเองเอาไม่อยู่จน เ, เช้าต่อมาท่านอาจารย์เลยบอกว่าเออมาทำงานยังไงนะมานั่งคิดวางแผนพอกล้วันออกมันใจมันเริ่มฟุ้งแล้วไงก็ <c oughs> งจริงๆอย่างที่ท่านพูดตอนนั้ฟุ้งจนแกไม่ตกแล้วก็ สติแตกไงไม่ไม่ยอมไม่ยอมดึงสติกับมาไม่ยอมพุทธโธไห้มันฟุ้งมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เดี๋ยวเาตอนนั้นคิดไม่ อ, อยว่าจะแก้มันยังไงสุดชาแล้วเอาทไมไม่นเออนั่นแหละเส้นผมบางภูเขาแท้ๆเรามาก็มาเพื่อมาพุทธโธแท้ยๆยังลืมไปได้ดเๆๆีเด็กกิเลสมันเก่งขนาดไหนนี้มาแล้ววันนี้ก็มาเพียรอยีกมึงว่า มันแรกที่เรามาข้งแรเนี่ยเออกาเบาใจเบาสงบดีนะแต่วันสุดท้ายกับพุ่งซ่าที่ตรงกันข้ามก็เลย ừ ừ แต่ถ้าเราดึงมันนิดนึงรู้ว่าเออสิงทีง่เราฝึกเนี่ยพอเรามาฝึกที่ตัวผู้รู้เพื่อรู้ อ, รอารมณ์มันว่ามันสงบหรือไม่สงบอึันนิดนึงก็คจะดีขึ้นใช่ถูกแล้วเดินกลับมาดึงใจกลับมาอย่าปล่อยให้ปรุงแต่งให้กลับมารู้เ ฉ, ะ ฉ, ะฉะยเฉยให้นิ่งให้สงบ ดึงดึงด้วยพุโทโธก็ได้ดึงด้วยการสวดมนต์ก็ได้หรือถ้ามีสติก็ดึงมาได้เลยถ้าสติมีกาลังถ้ามีตัวรู้อยู่ก็ดึงกลับมาหาตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวแต่สังเกตที่ผ่านมามันมอนใคร ความนึกความคิดตรงนี้ถ้าวางใจไม่เป็นการอะไรก็มันจะดีขึ้นเพราะเราถูกที่กุ่งแล้วว่ามันสงม่สงบมันพุ่งเลยแต่มันลืมไงมันเผลอมันไปติดกับกับของความคิดปรุงแต่งใคิดถึงงานที่เราจะไปทํำมันก็เลยนั่งฟุ้งอยู่เรื่องงานแทนมันแรกๆไม่ฟุ้งเพราะเราตั้งใจจะไปภาวนาพอวันสุดท้ายจะออกนี่มันเตรียมการจะไปกินนี่ไหนดีจะไป ดังนัเราควรจะไปแบบไม่กลับถึงจะดีแต่ด้ไม่ฟงไม่มีวันกลับไม่มีวันกลับบวชแบบไม่มีวันศึกเออพวกที่บวชเนี่ยพอเริ่มต้นก็ขยันเดือนแรกขยันพอเข้าเดือนที่สองชักจะแผ่วละพอเดือนที่สามเนี่ยเริ่มฟงละเริ่มเตรียมหากางเกงหาเสื้อดังนั้นบวชล้วต้องไม่ศึกถึงจะบวชจริง ทุม้อข้าเลยไม่ถอยหลังนะจะไปกินตะไปตายดาาหน้าถ้าไม่ชนะก็ไม่กินแหละแต่อย่างนี้มันก็เข้าๆออกอย่างนี้สามวันดีสี่วันไข่ก็ยังไม่ไปไม่ถึงไหนถ้ามีกําลังมันก็ไปไม่กลับแล้ว เราทาต่อไปอยาที่เาไปปฏิบัติกันที่เขานะาออกาใกล้ๆจะออกทุกคนใจ่เออเหมือนคนติดคุกกำลังจะถูกปลดปล่อยปลดปล่อยาดแผลกันแล้วจะไปหาใครดีจะไ่ทําอะไรดีนเราต้องมองไปว่าการปฏิบัติของเรานี้ไม่มีการถอยหลัง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 จังก้าจะเบื่อแล้วว่าไปก็ไม่กลับดีกว่าจุดตรงทว่ามาถึงจุที่มันเหมือนวันคลิไม่ออกสักทีตรงจุดตรงนั้นพอดีลคะนึกว่ากลับมาแล้วโอเรานื้ยีวย้อนหลังจะ่ไม้แค่อย่างนี้อยก็ลองกลับไปทำใหม่กลับไปทาใหม่พอกลับพอมันเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ลืมอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนถูกสะกดจิต มันไปกับมันเลยลืมหมดเลยงัย้นต้องพยายามฝึกบ่อยๆฝึกมากๆต่อไปมันก็ได้เองแลนะละตอนนี้เอาประสบะการณ์มาเป็นบทเรียนมาสอนเราว่าเราผิดพลาดตรงไหนคราวหน้าเราต้องไม่พลาดอีกกลับไปคราวหน้าพอมันจะไปตอกหลุมนี้ปั๊บก็ต้องดึงเราออกให้ <c oughs> ไม่ใช่นะทางนี้ไม่ใช่ทางไปคิดไม่ได้ไว้มันเป็นอนาคตอย่าพึ่งไปถึงอย่าไป อาานาคตให้อยู่ในปัจจุบันรอยให้ถึงเหตุการณ์ก่อนร้อยแค่คิดก็ได้ออกจากวันแล้วไปแล้วค่อยไปคิดก็ได้ตอนอยู่ในวัดอย่าเพิ่งไปอยู่ข้างนอกวัดร่างกายอยู่ในวัดแต่ใจมันไปนอกวัดแล้วาสึกรนนั้ที่เไ็ไม่ไมีมสติเลยไ ม, ม่ใช่ไม่ทัน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 อ่ะปฏิบัติไปนะคิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถอ